พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคบน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าไปพบพระยาปากเข็ดนะเสียงตามสายเสียงตามสายก็ดีพือไปการเตือนกัน ถ้าหากว่ามีอย่างที่ว่าขึ้นมามีโทรศัพท์ขึ้นมามาคุยกันถ้าเราเดินไปบอกก็เสียความรู้สึกทั้งคนไปบอกเสียความรู้สึกทั้งคนผู้ถูกบอกนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าก่อนที่จะมาฟังตรงนี้เนะี่ยทำตนอย่างไรถ้าไม่พร้อมให้ออกไปข้างนอกไม่ต้องมาฟังที่นี่นะ ถ้าจะฟังที่นี่ต้องอยู่ในกฎระเบียบนี้อันนี้ก็คือการบอกกล่าวนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่วันจันท 20, 24, ร์ที่ย4สี่กรกฎาคมพุทธศักราชสองพนหะ้าอหกสิบพระในวัดของเราสี่สิบห้าแต่วันนี้รู้สึกเบาบางบอกว่าตามรายงานเนี่ยพระลงมาฉันยี่สิบห้ารูป งดฉันยี่สิบเอ็ดรูปงดฉันมากวันนี้สงสัยเมื่อคืนมันเป็นวันพระมั้งกูบาโคงเจ็ดเอาเนชชิคกำมังเล่นนอนตื่นสา ย, ายก็ไม่รู้ละหลวงพ่อไม่จะบอกภาษาไทยมาดลายมือไว้ภาษากลางบาทในเจียวบอกภาษาบานเฮาให้ฟังจักหน่อยแต่ตไม่จริง ที่หลวงพ่อสีบอกให้ฟังเนี่ยพวกเขาอย่าเสืออย่าเฝ้าเสือต้องให้คิดเอาไว้เสือหรือบนเสือก็อยู่ในใจของแต่ละคนนั่นแหะเพราะหลวงพ่อได้งินมาหลวงพ่อก็บอกบอให้ลูกให้ล้านให้ฟังอาจจะเป็นแนวความคิดสวนหนึ่งถ้่หากว่าฟังรวงแล้วเ่าเป็นทาพวกเขาอาจจะไปหาคิดต่อไปหานักใจคันฟังว่าเออเป็นแนวความคิดที่ดีไว้ พวกเขาก็นำไปกันกล่องเบืองอีกที่นึงเมื่อวานมุกกรลงพอไปงานศพแลวไปเจอหลวงตาองค์หนึง่งอายุตั้งแปดสิบกว่าปีได้ผู้เฒ่าแต่กระสิสสติสตังยังดีมากพูดเท่าความอดีตเป็นมากจางัจงใดจังใดหายฟัง โดยมากหลวงพ่อไปที่ใดหลวงพ่อจะไปหาผู้เถ่าทําถามบ้างบางที่ตะกอนหนาเนี่ยพรเถ่าย่างมาใดผู้เถ่าขามมหาเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังสรุปแล้วก็เป็นผู้ที่กวางขวางในเขตเอำเภอนามโสมนายุ่งของเห่าเนี่ยบ้านผือ น, นี่แหละเอาจักซื้อผู้เถามัดนะ่ะอแล้วก็พูเ่านันเป็นผู้จิตใจเป็นกุศล ส, ส่วนหนึ่งในความรดุซีของหลวงพอ่อ แล้วก็เพินวาสมัยก่อนในหลวงสเสด็จมาอำเภอ น, นามโสมเน่ขอน้อยนี่แล้วาเขอไปกลับไปขาวาเพินเดถวายเงินเพิินแล้วก็นาตะกรนอำเภอ น, นามโสมกันดานเรื่องนามขน้อยก็ไปวอาให้เพลินฟัง่งอยากได้ยังเพินว่ะโอยอยากได้ถนนครับ เขื่อนส้นประท่านแนี่ฝ่ายแล้วอา่เน่ยน้ำโสมขาดน้ําขาหน่อยอาานีมันมองได้จลเป็นไปได้หอเปล่าหัวกระน้ำส่งน่แล้วเขาหน่อยอาานมาเบิงแล้วเป็นทำเป็นกันกันน้าส่งเนี่ีได้น้ำยูน้ำโสมจะบุกอึดอยากเออในหลวงเพิ่นว่ามาท่านแล้วเพิ่นกระ เปิดเบ่งบัญชีวกวากเกีไปหอดเมื่ออุดอรเท่านั้นแล้วจ้ะเนีมันเกิดสั่ ง, สงเลยจ้ะเนี่โอเบ่งรถล่าอย่งยงยงางๆยงลังไหลเข้ามาก็เลยได้เคินกูเ ม, มือเนี่ยแหละน้าโสมก็เรื่องน้าไถ่น้าโสมก็เลยสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยนี่แหละบารามีของไนหลวงแต่แท้ผลวาได้ <laughs> พุทธบอกให้ฟังกัอ บลวลารมีของในหลวงคุ้มครองเอขาหน่อยบวชเข้าเนี่ยก็บวชเพื่อถวายในหลวงนะ่ะอออายุขน่อยกัเท่าทอกันกับในหลวง่ะอายุทอทอกันกับเพินินเออรักในหลวงสุดหัวจิตสุดหัวใจคนมาเออในหลวงเป็นคนดีอีรีคนมาเอในหัวใจขนอ่อยมอบให้เพลินมัดว่าวยังเว่าวถึงจิตถึงใจได้พุทธ ย่าพ่อเน่ันนี้ยาพอเถ่านะบาทลพณพทธาก็เลยว่าเรื่องบาปปุลขุนโทษนี่มีอิรีเลยย่าพอ่อจะนะเป็นยังไดว่าจะนขน้านอยฝันเมื่อหนึ่งฝันครับโ้ยไปหาเสือความฝันเจ้าของกรดอกกรเดียบจะได้ยังไหบอมันแมนอิรีเลยมมันเป็ดยังไดแล้ววะขนอยฝันไปมือหนึ่งว่าจะนาะ พ่อไปฝันไปไม่ใคข่ายครับข่ายกับข่านฝันไปไปไปเห็นเขาไปเห็นคนคนหนึ่งไปอยู่ในสนามหญ้ากว้างมาท่นเนี่ยเขียวงามกว้างใหญ่ไพศาลมาะทะน่นก็มีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในมุมหนึ่งพน้อยก็หาข้นหมดเลยก็เลยไปหันไปหาบ้านหลังนั้นพอไปหาบ้านแล้วโอ้บ้านหังนั้นใหญ่เขาไปเปิดกระคาทางในมัน เมันไปอยู่นีิเขาว่าเนี่ยนะพญาปากเคสพญาปากเคอยู่นิเฮ็ดอย่างไรจะเขาไปหาเพิ่นได้พู่นลับโค้งไปพุ่นไปซื้อนีบได้เด้อัน์เน่ไปซื้อนีโบได้ัน์เนยมันเป็นอย่างโบได้โมได้พัฒนไต่ใหม่ไต่ใหม่แป้นแผ่นเดียวเขาไปนี่ก็เสือมันก็ขาดหลาดโผโวกมาพัฒนเ ตกลงไปเป็ดสี่ตัวจนทั้งไตเนะ่ยขาย่าวก็อยังเ น, น, นกินมัดน่อยนีน่กัดกินหลุดแล้วเถอะนีน่ไว้เดี๋ยวผมจะคอยจะไปพวก ท, ทหารพลเข้าหามาไ ป, ไปก็ไปแล้วขันเจ้าปรญญาเน่ยมาพ่อยางไปไตใหม่แผ่นเดียวเะ น, นพ่อไปหอดเนั่นเสือตัวบกใจ น, นโคโลมหากาหาเัอะ น, น หัวกระต๊ไวยลงไปในสะรองน้มแล้วแต่เนีอมันเป็นมันเป็นเหวเพยแต่เนี่ยพอเหวมพวกเป็ดที่้นมันบมเมนค้นมันเป็นเป็ดแต่นี่ไม่แต่แขวยาวยาวแต่านี่ยที่เล็บยาวอีต่างหากมันโดดมากกัดขน่อยแต่นโคตมากกัดขน่อยมันกัดเบาเข่ามันหนมบเบาเข่าเขาหนก็จับบิดแขวบิดแขวแล้วแ่บิดแขวเป็ดแ่เนี พุทธทาบอกเป็นจริงเป็นอย่างเนะพ่อพ่อบิดเนี่สามต้สันเนยตหนึ่งแล่นี้อัดหลาดสันเดยเออมันบันยันเขยบิดแข่วมาสันเนยฮเมึงมาสันเมันมีอีกวอลสันเนยเขาลยไร่ไปว่านเนยพ่อขืนมากก็เลยเออขืนไปไม่มีโซ่ลงมาทังทั้งใสไปหาปากเคดเพื่อยูใสอันเยยูทังทงนี่ยแล้วัน เหตุอ ย, อย่างไรใช่หูจักยังอยู่พบกระเพินได้สันนี่หลากโสดเนี้แล้วสันเน่เอเขอน้อยเดชไปจากโสดเขาตึงแขนว่าอย่าอย่าไปหารลากสันเนีเขาย่านหลสันเนียญาปย่านพญาป่าเกตบา้านในขอน้อยก็เลยลู้เข้าไปบอกเขาเผิอหลั ก, กรูกม้มั้ยหลกโสดหลกขาดนะขน้อยพญาป่าเกตเปิดหน้าต่างองอกาเอาไม่ยัง้งสันเนี่ยบอกวาในขอน้อยจีมาสัน ถามไทยเนี่ยเออยังพระชันชัการเวลาอีกต่อไปขน้อยจะไปเบิ้งบอกเออเอาไปได้ก็แลยไปไปเห็นซื้อซื้อเหมือนกับขน้อยแหละซื้อซื้อคือคือกันว่าไงเป็นเพื่อนกันอีกต่างหากอยู่ในกระบ้านเดียวกันมูเดียวกันอีกต่างหากพ่อไปเห็นเอาตีนจุ่มน้ำอยู่ว่าไงเอาตีนจุ่มน้ำอยู่ว่าไง เออม alloy, yun, นันหานางยังแลยตีนจุ่มน้ำน้ำกระไหลตีนจุ่มโอ้ยกูหิวน้ำวันกูหิวน้ำวันนไบอกไม่จะไปหาหิวจังได้กรน้มกับมึงตีนจุ่มอยู่ในเดียววันนเออมันกินบ่ได้วันนมันจงกินบ่ได้วันนเป็นบาปกรรมของกูวันนบาปยั้งเราันนี้โอ้ยมึงก็เคยเห็นมึงก็เคยเห็นแมนบ่อเราวันนกูเนี่ยใส่ตุ่มปดุกวันน ใส่ตุ่มปาุกไปหาไอ้ปวกยุ่จอมปวกได้เราสัคูดมาใส่ตุ่มมาท่าใส่ตุ่มเลยบาตร้นําบาปกรรมตัวนั้นแล้วท่านนี่ขันห่วขันห่วรักษาศีลหมดเป็นว่าอย่างนว่ารักษาศีลเธอไอ้เมื่อหนึ่งเท่ากันครับ ซอยซีฟิตปวกตัวหนึ่งว่าไงในหลงโมตัวนี้นนบอกขักว่าเปิดหมอจอย่างไรไอ้ใ้าว่าโทษทดแทนการทาบุญกับกับปวกก็ทาไปพออันนั้นมึงอย่าเพ็ดกับไปเนี่ยมึงอย่าไปเช็ดเท็ดแท่ๆๆๆๆๆเด้อว่นนาไงมาแท่แท้วะไรว่าไงผมก็ไปเห็นมา น, นอ่ยเพราะว่าตะแกเนี่ยใส่ตุ่มปกกนุกว่าไงไปคุดปว ก, ปวกจอมปวกมันก็ใส่ตุ่ม มันอยู่ยจะเจ็ดหลังเพ่อมือนึงใส่ไปใส่ไปซ้ก็สมใส่ทันกระทอนทอ น, ทอนปาใส่เกนเอามาตัวตุ่มหนึ่งต่อมาก็เอาใส่ใส่ไอีกใส่ตุ่มอีกไปว่ยแส่ยห่หนละปาทุกปาทุกเนี่ยมัดละแถวใดก็แสดงปาทุกกินปวกก็แสดเขาหน่อยก็ได้เหตุตะแกน้ำมูกันแล้วจะเหตุอย่างไรมือเร่งสิพจน์เา ไปบอกลูกไ ส, ส้กูนสวเน่ยลูกกูสามคน น, นะนะลูกไส้กูสาคนกับบักนันบักนันว่าั น, น, นไปบอกเขาให้บวชให้กูแน่ว่าสัต น, นี่ยขั้นบวชเขาบวชให้กูกูสิผลได้ขั้นเขาบวชให้กูกูไม่มีผละอนนะเลยว่าสัเีหเบิง้งเบงเขาก็ไก่วัดอยู่ด้จะให้กูไปบอกมันที่บอกได้จังได้ไอัเขาสิม่จะท่าบวชบวนั่นแ่ะบวช คั้นบอกมีศรัท ธ, ธาบ่ามีศรัท ธ, ธากัตามไห้เมื่อไปบวชบอกให้กูว่าจังไให้กูแนวว่าจังไรกูขอร้องว่าจัไไปบอกบอกเข า, าเขาสีบวชแล้วบอบวชอีกเรื่องนั่นน่ะขั้นบขั้นเขาบขอกบวชกูกูจะไปขามันเองว่าจันไรดีกว่าโอหเอาปลาดั่นเดียวบาดาแล้วคำนั้นเขาบวชเขากูสิพนกูสิพนจาก บาปจากกรรมอันนี้ว่าแต่ไหนที่กูนั่งแช่หํามนั้นเขาลูกไส้ปวดให้กูไปบอกให้กูเลยถูกไส้กูสามคนผมก็ตื่นขึ้นมาวาะเนี่ยตื่นมาว่ายตั้งแต่เมื่อนั้นมาผมก็ได้เศร้าใส่ตุ่มปาดุกตั้งแต่เมื่อนั้นแล้วม า, วาผมก็ยานบาปไปเห็นแล้วโอ้โอมันเป็นบาปอิที่ตเนี่ย่าไรจากนั้นผมก็เลยไปบอกลูกไส้เขาถูกไส้ผู้ใหญ่ บวชได้ให้พ่อได้บอเหล่าบวชบวชให้พ่อสู่เจ้าพ่อสู่เจ้าตายไปแล้วนะเอบวชให้เขาบวชให้พ่อ็ดีได้พอลูกทรายเขาบวชในบวชสักคนบวชให้เพิินจะดีบวชไปหาบวชยังบวชไปหากินเขาอยู่สิผมมีประโยชน์ยังเศ้าๆอย่ า, า, ามาหาบอกสั่นเลยอย่ามาหาบอกก็ไต่เออ ผมก็เฉยแล้วสันนัะพ่อบอกระเห้อสันนัยไหวบ่ได้สามมือแล้วสันนะเอาไปเมื่อปวดท้องกันยองของแขงก็ตายสั่มสันนะโอ้เถ่านี่มันมาข่าลูกมันอีดีๆๆๆตัวเนี่วสันนยพ่อต่อมาโดนหลนไปปลูกบอกไส้ยลูกไส้พุที่สองเอกปเนีพอพ่ายพที่สองเอกมึงที่บวชเนี่ยพอมึงได้บวชเราพอมันมึกนัน่นไงยังเป็นอุทิศวนกุศล เฮ้ยาบวชยังไม่ถบวชในหลวในว่นวที่ไม่ประโยชน์ยังกูบวเชื่อรอกโว่บวเชื่อกันแล้วแต่เมื่อแล้วพ่อต่อมาอีกได้สามสี่มือเท่านั้นปวดข้อเขามาเลยตายทาอีกสงสัยพอมันมากขันข้อมันนว ต, ต่อมาอีกผมก็ไปบอกบอกอีกน้องอีก บักนองบักนองเออมันอายุเกือบจะเฮาหกสิบกว่าเลยเลยอ่าเออมันแมนอิริบบอสสันนีึดอยู่ในใจคือเงนแล้วมันบังเออสไปบอกเอกกันเอ้เมื่อวดในพอมึรดีบบปวดชักเล็กสักน้อยก็ได้บบเป็นหยังบบบบมึงจะไปหาบสันนี่คอยปเชื่อสันนีเออพอปวเชื่ออีบบโดนอีกตายอีกคือเงาสั่ โอ้ว่าจะไหนมันเป็นยังไรมันมาหาผีพอมันมาข่าลูกมันอิลีตัวนี้มาหน่อยผมได้ยินได้เห็นเลยโอ้วบาปบุญคุณโทษมีจริงนเนอะพราะนั้นเบิงเบิงสิ่งใดที่มันบอดีบอเห็ดเป็นแนวนย่ยาไปหาเห็ดเด้อขันเห็ดเน่ยบาปกรรมแท้ๆ ผมเลยเสือเ้อแต่แต่นาลกสวรรค์บาปบุญคุณโทษนี่บอกว่าเนี่ยคู่ฟัง่งพูะเทววะว่เป็นหลาย่นออกไปมื่อนั้นอันนี้เหลวงพ่อได้ยินก็มาบอกให้ลูกให้หลานให้พวกเข้าฟัง่งจึงจีเสื้อและโบเสื้อกับชุดแทนแต่หละวงพ่อเนี่ยเสื้อบอลหลวงพ่อกับฟัง่งฟั่งใดนะปุรัยเมา ก, กับฟ้องฟัง่งได แต่ก็มีส่วนขึ้นกันะพราะหลักของพุทธศาสนากัอทำบาปทำกรมรมมาได้กันผู้นั้นจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมนั้นจะตามสนองอย่างในโคขาดในโคขาดในคราง พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตกลับมาแล้วพระสงฆ์กลับมาอีกมาเนีได้เงินเสียงคนห้องอยุบานลังหนึ่งเขามี กำแพงล้อมรอบกำแพงล้อมรอบบานมิดชิดตัวน่ไปมาแล้วก็ห้องอาอาอ า, อ, าอยู่ได้เจ็ดมือหายเงียบไปพระสงฆ์เ่านันไปนบินถวัดกราบมากรับมากะว่าเป็นอย่างมันบานลังเนีเป็นอย่างมันเสียงห้องคนห้องดังแืวก็เกิกับเสียง ง, วง่วกระเบนเสียงคนกระเบน ใครเข้าว่าเสียงทน่ทนทุกทุ่นละม่นมันห้องอยู่พนะระทั้งหลายพระสงฆ์แต่ละเมกทุนพระพุทธเจา้าก็เลยไปสืบสอบเป็งว่าเป็นน่ายโคขาดน่ายโคขาดโพนีหนะ่อเป็นไป เ, เป็นผูกขาง่วงขาง่วงเป็นอาชีพ น, นะพ่อไปสืง่วงมาแล้วก็ขาชำแหละขายขายชำแหละขาย เ, เวลาที่จำแล่น่ะก็พวกเนื้อในของมันเนื้อสันในของมันเนื้อดีๆหลิ่นของมันแนวของที่มันตัวเองมักหันไปเขามาให้เมียจาก น, นั้นช้มอือนก็ขายไปจำและขายไปอันนี้คืออาชีพของตาแก่อายุถึงสี่สิบกว่าปีสี่สิบห้าปีบาดหามือนึงมาบานก็นเลยเอานี่แหละ เอาเนื้อให้เมียนไปเห็ดอาหารพ่อตัวเองก็ไปขายเนื้อง่วพ่อต่อมามื่อหนึ่งบัดเนี่เซียวเซียวของนายโคขาดเนี่มีแขกมาบ้านบัดนี่มีหมูมบ้าบานพ่อมีหมูบ้าบ้านก็เลยแลนมาหายหมอนี่หมอหนิกำลังไปอาบน้ํามันไปนายโคขาดนี่ขายเนื้อเสร็จแล้วไปอาบน้ํา พออาบน้ผู้ถามมานถามผู้แม่เอ้ยมีเนื้อเหลือบอว่า่ะไถามผู้แม่นายโคกขาดนายโคกขาดบอกว่ามดแล้วอาจาเขาขายมัดแล้วอาจาแล้วจานวนอื่นมีบอมีโยอาาเนีมีถ้าเขาสียเห็ดให้เขากินนั่นแหละอาจารย่มียเนือเฉพาะที่เขาเอาไว้โอ้อาจาผมขออาจารย์นี่ยว้ขอบอได้อาาเนีเดี๋ยวเขามากเขาจะหายหาข้โยอาจารย์ เขาขาดเนื้อ ง, ง้วบอะไรเลยเขากินเนื้อ ง, ง้วตลอดคอยจะเป็นผู้เฮ็ดให้ว่าได้หรอกท่านนะเฮ้ยพอไปยักไปยักนี่เอาเงินให้ไปก้อยขอเถอะไข่ยมีความจําเป็นจะต้องเอาไปเลี้ยงพี่น้องมาเต็มบาทเท่านั้นถ้า แ, แกก็เลยแบบชิ่งเอาไปเลยวันไปเอาเงินให้ราคามันหาสิบบาทเอาให้เป็นร้อยบาทวันไปเอาให้เงินให้เกิดกวาวันไป พ่อใดก็เงินแต่แกก็ฟาวไปแล้วนะอพอไปนโคขาดมามากมกับเมียก็เลยบอกว่านี่แล้วมีแต่อาหารอย่าง อ, างอื่นนึกเหมือนเ่บริเนื้อเสียวเจาของเจ้ามาหอดเขาแยางเอาไปเลยนะ่ยเขาเงื่อห น, นี่เขาไปแล้วนะันยเจ้าหาเห็ดจังจันไดจังไดสันก็หงุดหงดอ่อยมันขาดเนื้อบวัวใดนะสันเนยะ่าันเนี อาเฮ็ดถึงสี่นะเขาจะไหนตาแกก็โมโหโก็ไเด้มีดทวนไปพอดีมีดเหลี่ยมหนึ่งล่งไปในขอก ง, ง, ง่วองวดตัวอื่นมันก็ยังมีอยู่เดะตีสื่อมะขายเน่ยยังผูกไกวยโยนลงไปพอมาฮอตตาแกก็ลวงมือเข้าไปในขอก ง, งวัวแล้วมันไปจับกลิ่นแลวน้วมันไปจับลิ่นงัวนพอจับลงไปมันก็อ้าปากทันทต่งง่วนไปหมมครับ จับปลีนมันไหมคือกันกับจับปิีนห้าพมันพูดถาจับปิีนเ้ามันก็อาปากมันเจ็บไหมพออาปากแสดงว่มีดหลวยเล็วลงไปตัดลิ่นงัวงลงไปเอพอตัดลิ่นง่วหลวยออกมาแล้วก็โอ้ยงัวงจนมันก็ห้องตายไปแล้วมันเจ็บนะนเขามันก็ข้ามันขามันก็ยังตายสิอันนี้มันตัดลิ่นของมันมันบ่ละ มันก็เจ็บชุดเจ็บเนจัดลินงัวงไหมห้องอ่าอ่าเพล่นขืนมากเลยก็บย่นลินง่วให้เมีย่ยวมาทําไ ป, ประยนลินเมีย่ยง่วให้เมียเมียก็มาจ้ำแหละแล้วมายางมาทําไรมายางลินง่วงพอมันทุกใส่จานไห้แลยก็ไม้เพลินมา ก, กินแล้วมันไปเอามากินกินลินง่วนะ พ่อกิ่นขําแรกเท่านั้นแล้วโนไปพ่อตกลิ่นจกของเท่านั้นนะบาปกรรมที่มันตามสนองเนะี่ลิ่นจกของลุตออกมาเลยวันโนไปห้องอาขึ้นกันแล้วโนไปเนี่ยนนะ่ะให้ทุกแกทันทุกนั่นทึงถึงตัวทําบาปกรรมเช่งไหนไว้กับนั่นตามสนองโนไปห้องอาก็เลยบาดนะเนี่ยพอห้องอากับข้านขี้โค้งเสแล้วบาดเนนะี่ย คือเห็ดคือง่วน้มันเจียบลายเจะเห็ดอย่างใดมันจะยูใดอย่างใดแม่หมดแล้วริ่นมันขาดแลยห้ออยู่ทั้งหกเจ็ดมือก่อนตไปนี่แหละลูกเมี่ยกันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งก่อนตัวไปพ่อเห็นทนันแล้วโอ้ลูกลูกลูกขี้เฝ้าหนีแล้วท่านนะอย่าไปรับบาปรับกรรมจากพอเถอนะลูกเห็นหนีไปหนนีไกลๆมาท่า น, น, น, น, น, น, นะะ่ป้าตองยู่ดอกแม่จะดูแลเองมา่นนะ เดี๋ยวยูต่อไปเดี๋ยวบาปกรรมตนีจะตามถึงลูกอีกให้ลูกหนีไปไกลๆพอลูกใช่พอแม่หอบเงิ่นให้เท่าที่จะมีของใส่ตะแกก็เปิดอาดลาจพุ่นเละไปเมืองตะกัศิลาพุ่นนะลูกช้ยวน่นออกไปไปหายเฮียนวิชาอย่างอื่นบ่เอาละวิชาขางวว่วงนะนไปว่าละไรตะแกเกิดห้องจะอาอา ก, อ, า ก, อ, ากอยู่เลยพระ พระสงฆ์ไปบินธบัติอย่างผ่านม า, าขางบ้านก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดวนไปตั้งหกเจ็ดมือลงไปยังคอยตายพ่อตายแสดงพระสงฆ์ก็เลยกรับทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบาปกรรม เ, าเขาไปสู่นรกแล้วในตำล่าเหลี่มนี่เหลืองนี่นะให้พวกเข้าไปอ่านเบงในพระไตรปิฎกนะธรรมปรทัตตกถา เรื่องนายโคขาดตัดหลินมั่วมาในปัตรปิดกในขังพระพุทธเจ้าในข้างพุทธการนี่แหละอันนี้หลวงพ่อกันแล้วมาเปรียบเทียบกับหน้าตาพอตู่หน้าตายายหน้าตาอายุแปดสิบปีเป็นเบาให้ฟังหลวงพ่อกันแล้นะมันลักษณะบาปกรรมสรุปแล้วคือกรรมชั่วสิ่งที่มันชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว อยา่าทำเสลื ย, ยดีกว่าเมื่อเข้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดหลอดเมื่อพ่ายหลังโมเมนจะผู้ใดหรอกเจ้าของนั่นแหะเจ้าของผู้เหตุเจ้าของผู้ทำนั่นแหละจะเป็นผู้รับกรรมกรรมและผลแห่งกรรมอ น, นันต์มันบอไปไสกรรมแต่ไหนท่าว่าผู้ใดคิดดีทำดีพูดดี ก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับผู้นั้นไปอยู่ในสถานที่ใดมิจะหลบเย็นเป็นสุขทั้งหมดถ้าหาว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วละะกคำชั่วตัวนั้นจะให้ผลตัวเองจะเดือดร้อนพวกเข้าจะเสือหรือบวดเสือก็เป็นชีวิ์ของผู้นั้นคือกันพอโลกในโลกหาได้หาดีก็ได้หาซัวก็ได้หานารกใส่จวบของก็ได้หาสวรรค์ไสจวบของก็ได้ หาบาพาบุญใชใจเจ้าของใดมดทั้งนั้นแหละโลกนี่มันโลกหาใดได้อพอตอนเฮ้าเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาในภพประทรมขําสังสารของพระพุทธเจ้าสิ่งไหนที่มันซัวในายาเห็ด เ, เห็ดแล้วมันสัวอลองรอกมองเดียวเนี่ยมันหาใดหาซัวหาใดจังไดเนี่ยโมโหกันขึ้นมากเนี่ยหาไรเอามีดไล่ย่ำพวกเฮ้ามโนผู้กุมกับผู้อยู่นี่เปนกันไรเป็นก จับทันทีแล้วเอจับไปขังคุกรดแล้วเห็ดยังไงเพราะมันเห็ดซัวเด่ะมันคิดซัวขึ้นมาแล้วมันก็เห็ดซั ว, วเพราะเห็ดซัวขึ้นม้าแล้วลกรรมซัวให้ผละให้ผลกับไพร์หละให้ผมให้ผลกับผูกกระทํานั่นแล้วเขาก็จับเขาคุกเขาตะล่างไปขังไว้เพราะมันซัวเด่นี่แหละอันนี้ปรตโลกไพ่ภาคหนาคือกั น, น เ, เก็บหอมรอมริบไปเลยพอไปถึงขันชุดไทยพ อย่างยมมาถูดอย่างที่พอตัวพระญ่าปากเค็ดนั่นเขาจะเบิ่งมีดบันชีไว้เมื่แล้วนะไปพอพอได้เฮ็ดชัวพอได้เฮ็ดดีอคนไหนเฮ็ดดีเต๋อืเอ้าเฮ็ดชัวเต๋อเอ้าเฮ็ดชัวเข้าไปลงนาลกซะกันโยนลงหมอนาลกเฮ็ดดีเต๋อเออเอาเฮ็ดดีเอาไปสู่สวรรค์ขั้นพอไปสู่สวรรค์บ่ได้ก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เออเอาไปหาเกิดเนาะ สั่งบุญสั่งกุศลต่อนะ่าอย่าไปเหตุความชั่วนะแล้วก็ เ, เ, เหตุความดีต่อไปสั่งบารมีต่อไปเด้อนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือดีกับชั่วนะมันอยู่ในมวนมนุษย์โลกนี่แหละออืจนกว่าจากแวกไหวาขามแดนได้เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันเมือ่อใดเมื่อนั้นเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐาน ผู้นั้นเขาจะพ อ, อมีถึงเก่าคือว่าเกาะบันไดขันแหลกได้แล้วมิถึงตายเต่าขึ้นไปได้เลยจนถึงเป็นพระอรหันต์ถ้าหาวายังพอท่านใดถึงขันนั่นแล้วระว่างผู้ใดก็ได้ระว่างพร้อมที่จะตกตําใดพร้อมที่จะไปสูงไดพร้อมที่จะใดไปใดมด ท, ทุกแห่งหนเพราะยังกิตไกยังพอท่านาได้มาตรฐานยังพอท่านรับรองได้ สามขันพระอริยะบุคคลเพราะนั้นในพวกเขาประกอบคุณงามความดีสิ่งใดที่มันดีก็ เ, เก็บหอมรอมริบเป็นนักพจน์นักปวดก็เป็นนักพจน์นักปวดเป็นพระที่ดีอย่าให้ออกอย่าหนอกหนอกลูหนอกท่างทําวินัยข้าสอนของพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรปฏิบัติตามนั่นพาลูกพาหลานทั้งหลายตักอกตั้งใจภาวนารักษาศีลบริสุทธิ์สิ่งใดที่มันบดีอย่าคิดอย่าเหต อย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันบอดีนะเมื่อนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวกเล่าพวกเฮาทั้งหลายเป็นแนวความคิดแน่วนึงแต่เฮาสีเสือ้อหรือบยเสือ้อก็อยู่ในจิตใจของแต่ละคนว่าได้บังคับให้เสือ้อและก็ว่ได้บังคับให้บยเสือ้อให้เบ า, าให้ฟังให้พวกเฮาศึกษาพออยู่ในโลก ม, มีวิชาตัต้งเยอะแนยะในโลกบนะ่แม่น ม, มีวิชาเดียวเลย อยากหัวใจหัววิชามีหลายให้เขาไปถามในมหาวิทยาลัายแต่ล ะ, ะแขนงแต่ล ะ, ะแขนงแต่ขนาดวิชาแพทย์อย่างเดียวก็ดูโบจืดวนกไปจังแม้นแข น, น, นงไหนต้แขนงไหนแน่แต่วิชาทางอื่นอีกต่างหากวิชาพระพุทธศาสนาไม่จะมีวิชาจดโหลดข้งมองเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นวิชาในความคิดความอ่าน8ปดหมสีพ่พพระธรรมขันารแขนง พระพุทธเจ้าก็ยังว่าพ่อประมาณแปดหมื่นสี่พันพระคัมภีร์พระธรรมขันธ์นี้ว่าพอประมาณเหมือนกับไม้ในไปมือเหมือนกับใบไม้ในกำมือที่เร่าลูกในมากกว่านั้นแต่ เ, เข้าบทนํามาสอนมาบอกมากเกา่านี่แหละทำคํ า, าสอนของพุทธะกระบอกหน่อยขึ้นกันนะลูกหลานคณะชาติไทยญาติโ ย, ยมนะรับพอนะ่อในตัวนี้นะ